เทศอบรมพระวันที่สิบสามมกราคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เรียบเรียบไม่เผ็ดร้อนมากนักเทศเรื่องธาตุมันคึกขนองฉันนมไม่ได้จิตวาดมนโนภาพหลอกตัวเอง ยาพากันจำแต่ชื่อกิเลสบาป ร, รมไปหลอกตัวเองจงนำสติปัญญามาปราบมันให้สิ้นซากไปเสียนี่จะอยู่สบายมักผลนิพพานอยู่ท่ามกลางอริยสัจสี่ภายในใจเรานี้แลพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสร้างใจด้วยกิตตภาวนาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมและเป็นผู้ประเสรศิฐ ไม่ได้ยุ่งกับการสร้างวัตถุเหมือนทุกวันนี้เทศกันนี้ต้องอัดให้ใครจบหน้าเอพอดีไม่เป็นไ่เลยตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่กันไม่ฉันนมนะมั น, นแข่งงานเต็นสัน่งมันคึกมันขนองใ น, น, นในท่าในถ้นท่านทั้งติใจ ไม่ไสนใจอะไรกดแจ็กกิตมันแต่ถ้าขันรู้สึกมันคึกขนองเพราะกาลังมันมีเต็มที่อายุนี่สิสามยี่สิี่ยี่หกย่สิเจ็ดกำลังเรียนหนังสือจิตแค่จะคิดคลึกขนองไปในเนี่ยอะไางต้องมันก็ไแต่ถ้าขันรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากยังไม่ขันนมรู้ตัวเองอันนี้รวดเร็วมากสำหรับ ยิ่ออกมาภาพปฏิบับติด้วยเนี้ไม่แตกเอนมมานี่ยจะทดลองอยู่ที่พอจาได้้ลองทดลองอุทดรลองก็ได้เรื่องหนึ่งทีแน่ใจภาพปฏิบัตินี้นัทดลองดูเป็นหนังนี้นล้เพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทำภาพปฏิบัติจริงๆเล้ยไม่เคยเราละมัดระวางมันองต้องแตอยด็กมีสดีเลยมีภาพปฏิบัติเนี่ยหลองทดลองดู ตั้งข้อท้งิดและฐานนั่นไปเมื่อคืนนักแสดงมาเล่าให้ผนอนอยู่เฉยป็นไหลเนนี่เป็นนั่นนะธาตุองผมติดการเป็นต้องถึต้องฝงนนนนองนนันมันเป็นออกมาหาตานมันไม่ถึ ง, งพอแล้วนั่นงแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้มาตุฐานจึงต้องทัณาณมรรตลองบีบร่างกายลมใ ทั้งทา้งครก็อยากจะหิวแหละไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียออยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นอ่ะมันไมนพุ่มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำ น, นาจแห่งความมีกำลังของร่างกายมันเปนหนุนยึดประทับสิทธิให้รับความทุกข์นี่มันไม่พุ้มค่ากันจึงต้องท่าเนี่ยคิดอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดเนี่ยต่างๆให้พันกบับเหตุการณ์ตัวนี้ไม่งั้นไม่ทัน เฮ้มันุคุ ณ, คณชารัตแต่ไปเชื่อแต่เชื่อเราก็ไม่ว่าแต่เรื่งหลักเจถอบาจารั์นั่นอย่าปล่อยปล่อยไม่ได้หาที่สงบส ง, บสงบ่าหาที่อย่เแต่ห้ามห้ามเันไม่ได้นะครัห้ามยงไงไม่มีผู้ผู้ให้เนื้อหาไ่มีู้ให้อวนี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะไปแบบเซโกอาวุโสเหมืออย่างนั้นถิดพระวิ น, นัออยคว อ, อย่างไรอย่งนี้อย่ามุ่เกอย่าง การปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนี่แต่ยังมีห้าภาษาเป็นอย่างน้อยอท่านจะไปอบรมปรึกษาเขาแล้วรวมดูมันเป็นในข้อคามตั้งเสถียรดีก็เองการปฏิบัติจิตนี้เป็นของสำคัญมากนะต้องสำรวดกดขันต้องสังเกตจริงๆไม่ั้นไม่ทราบความเสื่อมของตอนเองเพราะสติปัญญาไม่พัน เฉื่อมไปเฉื่ปทน้าก็าเฉื่อม้ารือเฉ่ปแล้วอะไรเนีย่ยทานานานานไ่นมันด้านรนอะัด้แล้วที่ความสนใจทํามีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจทําที่ออกจากนี้มันก็เปลี่ยนฉากใหม่เป็นความสนใจนยใลกไปกแค่นั้นสิไปอยากมีธรรมะระวังปฏิบัติผมก็มาสบายละนั่งกับแขกผสมเล่นหาไปเล่นหาแต่มันจาเป็นก็เลย ต้องมามันค้างที่จมีคิดเรื่องอุปสรรคมันมีสะุดใจเดี๋ยวก็ย่งเพื่อนสูงที่อยากจะไปเชื่อผมก็ยังไม่พูดและกดโอกาสให้พูดให่ทาหมอนฟังเมื่อไรนั่นะมวานนี่อาใอยากจะไปเชื่อจะได้ที่ลาตัวเองหมอนผมยังไม่พูดเลยผมไม่ใช่ผู้ผูกผู้มัดเพื่อนผงผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้คาลังจิตใจเพราะไปพอที่จะคำยังจิตใจเพิ่มเติมคนก็อยากให้ไป ผูที่ไม่ย่าหน้าเนียหลังจะไปเดินทางคนเย็นโง่ก็เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอนอยู่กับให้ตั้งจิตั้งใจใหเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนั่งขี่เก่าเบื้องต้นนั่ น, า น, น ภ, ภาพมนโนภาพมันหลอกตัวเองนี่คัมมาลม นี่ยเจ้าตัวการสำคัญมากเออยิ่งกว่าภาพยนต์ภาพย น, พยนต์กำลังมีจบฉากจบเฉยนี่มันจบฉากได้เมือนหร่นั่นมันปรุงอย่างนี้ต่อมเมื่อไรรุงเมืต่อเมื่อไปรุัทละก็คือมันผุดค้นเอกขนขึ้นมาทับผมเลยนะความเต็มไปตามอารมณ์ของธรรมะหลวงนี้ไม่จะเป็นถักเป็นความคล้อยตามของจิตเพิ่มของจิตเพิ่มไปตาม แล้วก็หยุดไม่สงบมันสงบแค่ยัางานมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตาจะทอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์คำว่าธรมมาารมอา ร, รมณ์หมายถึงอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรตอนอะไรผีปลาผัดเรียกว่าธรรมอารมณ์เคยได้ประจบพบเห็นสิ่งใดสินไใดมาตั้งกลับตั้งกลางมันก็ออกมาคิดมาตุงมาแต่มาว่าท่าพุณไปไม่ ม, มีมันก็ว่าท่าเลยเขาพูดอะไรมันก็ว่าถ่ายิงที่ไหนคิดใดเดินใดตั้งแต่เมื่อไรนลันกลับมาว่าท่าหลอกตัวเหนอปัติบนันทีก็เริ่มตาม หลับไปตามมันโดยไม่มีสติเนี่ยไวอ้อมดนี่ปกติจิตว่าธาตุอย่างนี้ให้ทางการเข้าใจมีเนื้อเยนเรื่องจิตมาเป็นกำลังความสามารถเรปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พันศาเจ็ดถึงนี่เป็นคือพันศาตั้งใจ อ, ออกมาแล้ตั้งใจมาดูาเาื้อเยนเรื่องของจิตเพลงของจิตเนเองคือธาตก็เข้ามาอยู่ในภาคุ ท, ท, ทั้งนี้ หนึ่ทุกวันนี้มันก็มีทั้งมันแต่มันผิดกันทั้งมันมันมีก็มีแบบทังมันหนึ่งเป็นนิสัยทังมันมีมีแล้วไม่มีแบบที่ที่ให้เกิดที่ิศนาแล้วไม่อยกมีทังมันไปเรื่อยไปธรรมดาธรรมดนแล้วมันก็ดับไปดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมาเป็นมันก็ดับไปเรื่อยๆดับไปมันเห็นว่ามันยึดยับยึดยั่อยูนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามัน หมดกาลังสลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าตายทั้านลักงานก็หมดอันห้ามมีเีื่อนไขนั้นไม่เลยนั่นไถ่ถ้ามีเงื่อนไขเปิดเสริมก็ไม่มีอะไรจะเลยนี่มันมีที่เหลือเลยสิจินต์นี่ยิงเป็นสมุทไทยได้หอกตัวอยู่สมอตั้งจิตยู่ในหลักปจุบันิี่จารณาเฉลน่ยแสงปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในนี่ิตพระนิทิตธรรมนิสานทุกขังนิสตานัดในธรรม เนี่ยใดวิธีใดอาการใดให้พิจนรณาลงไปให้เห็นแจ่มชัดจริงปัญญาเป็นของสําคัญมากเราขุดค้นขึ้นมาหนา้าด้วยอุบายของเรากินไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองอว่ายจางหยิดยื่นให้นี้มันหลุดมือไปได้แ่าจะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช่สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันหาเราใช้ สติปัญญาเราขึ้นมาเป็นเรื่อนรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆหนึ่งแงอีกแต่ได้ไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาทางลงรุณเกิดขึ้นพอตัวแล้วมันไม่ไม่ถอ ย, ยหมุนติ้วอะไรมันจะเหน่อยสติปัญญาเป็นได้บรรดาที่เหลือที่อยู่ในข้อใ จ, านญญจญญ เ, เ, เ, น, เจนี้มันก็ต้องพังทลายจมพ่อหน้าของสติปัญญาความสงบมีบ้างเป็นบางการการที่มีพิจาณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยกแยน จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ่งซึ้งภาในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่ธรรมะปัญญาบัญญายังกำลังดตเนินนั่นเป็นชื่อนะที่เลียกที่เรียกในํา้นลัดำนิก็เป็นชื่อนักผลนิพพานมีแต่ชื่อของพระผลนิพพานมีแต่ชื่อทําทั้งหลายรัวทาทั้งหลายแค่บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เดือดดาลเว่าอยู่ที่นมากจริงๆอยู่ที่นี่ผลจริงๆก็อยู่ที่เอามาปุดข้นขึ้นมที่ตัวของเราเรียนมันลืม ลืมดูตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่งเงาไม่ได้เรื่องแต่ความจำหาความจริงไม่มีใคร ใ, ใจที่ก็ม่ดลุดรอดไปอิกมาเป็นแค่นั้นเองผขอให้อาจารย์พยายามอย่าลืมละความเขียนพยายามไม่ให้มีจิตมีการนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาใ น, นตำขาวเที่ยต้องมีค น, นที่มาคอยสลานี่โก๋เห็นใจมันกันถรือทำยังไงเห็นใจมันโลกเพรคโลก แล้วมีที่พึ่งเขาวิ่งเข้ามาเกาะมาหาคู่วานการรับการรวมพอหยิบย่างจะหยิบย่างแต่งสกลับกลับไปบตอนน้ก็ความให้เกิดความรุ่มเรืเป็นเป็นประโยชน์ทวาด้ด้สิตใจไม่น้อยดังนั้นเราก็อุตสาพยายามตุ้ยยากลำบากแล้วก็ถูถูไดยใายตัดอย่างนั้นเนห่ยเป็นตามสืขางขันวนร่งความอยากไปของเรานี่โูเท่านั้นเองขีดเกลดุ่งทั้งหมด ในโลกอันนี้เลยญาตว่าแต่ชั้นไหนจะมานิมนต์ให้เราเข้าไปเจี่ยวข้องเลยจิตใจนั้นไม่สนใจเหมือนกันชั้นไหนมันผสมผุดความวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแน่นั้นถรุไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายหรือ <c oughs> ความเ <c oughs> กี่ยวข้องเรามาันเข้ามเทือนประสาทอย่างนั้นหล้ต้องเด็กฝูดเด็กคิดเด็กตางหรือทำทั้งไม่เป็ น, ำ น, น, ำ น, นทำมาอิ่งๆหรือทำมาหรืตามอัตโนมัติของตัวเองเรียอกว่าอัคคีาใจ มีธรรมที่จะสั่งนิสัยสบาเอาทําลงไปจิตถึงความสบายผมก็เป็นห่นวงเพื่อนฝูงผู้มาจากทางกายทางใจก็ห ใ, ให้มาทุศาตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าตาักแต่ว่ามาฮะให้ดูตามีให้ดูโหมีให้ฟังพูดอะไรให้ฟังให้พินิจติเติน่ะเพื่อนฝูงทําอะไรให้ดูอย่าเพียงดูได ดูจริงๆเพราะความสนใจในข้อวัดปฏิบัติเพรา ะ, ะ่าติตัวอย่างดบบแฉปิภูมิอาจารย์ประสิทธิ์ปราศให้แล้วถือตะท่อปฏิบัติมาเป็นตะท้อดนี้ไปเป็นที่มงคลจะตนคืนๆถ้ามันเทศนา น, น5้าสนาทีกว่า นานๆตาก็เผยล่อเส้นในเลยมันเป็นการนิสัยเพราะมีข้ามากประเทศเกี่ยวเรื่องข้าด้วยคุต้องหมุนปี้ปี้ไปทสร้างข้ามันผู้สนใจปฏิบัติทำมีอยู่ประชาชนทีมิหวังทำทำนีก็พอล้ยินได้ฟังเดียกันในธรรมะขั้นนั้นผู้ทื่ไม่รู้ปาษาอะไรเป็นประเทศนึงซึ่งเกื้อพนันไปนั่นะในขั้นต้นเรื่อยๆต่อไป นานนานไปก็เหการป็นขั้นสงถึงขั้นสมาธิและขั้นปัญญาภาคนี้ตลอดต่อต้นไปทั้งหมดเลยมันคือมีอยู่างนี้ารมากมาเชื่อคมีเส้นปีศาจเสียงรอบด้านได้ยินทั่วกระหน่ำนี่คือคนสนใจแต่มากหลวงพ่อไฟมาทำไมเพราะท่นอารเทศหลวงพ่อท่านจามานั้งแต่คือหมดเลย สรางชิ้นเพื่อนมืคนใครหนึ่งที่สามท่านอาจารออกสุดท้ายท่านมาดึกท่านไปอยหนองหล่ม่านมาดึกเพื่อทางทายถึงจะสองยามก่านคนโลกมันจะหมกครก็เหนื่ไปที่นั่นแต่คุณก็เหนื่อยก็ตามต้นเพื่อนเพื่นคนนั่งหมดยืนบนทลาเรือจนแม่นึงที่นั่ง แน่นจิงๆแน่นหมดเลยทางด้านตันตกก็มีแต่พร ะ, ะเต็มไปหมดอาถรงไม่ต้องพูดเลยอาถรางไปตาที่เหนือนเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะขมนีม่เราก็เห็นใจ ม, าามี่้นเทศอกถอนนระต้นคารวายรับประโยชน์ก็ถึงกันแทนเทืกมีธรรมะสูงไปเรืยแต่ไปรื่ยๆเรด้ว ย, ว ย, วย ม, ามาีแต่ธรรมะขั้นต่าเฉพาะบงต่น แค่15นาที20นาทีผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเสียงกแ็แขกดิน้นเรื่อยๆกลางวันใช่ไหมหลงจานี้ส่งวัวใจค่อนขัวหน่อยเสียงก็ท้าได้เป็ๆมๆเต็มหนเป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมแสดงออกมาเครื่องมือไม่ดีนี่มั น, นพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจรีมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีกระเทือนหมเข้าใจ ดีไม่ดีมั น, มน่กัดที่ไอ้บุตตกเลยนันเท่าที่ว่าทำของถือองปู่ข้าวม้นแบบเอายืนนันางสมาธิี่อไปค้า ง, านนางก็ไดะเอาหนังหนักหน่อยนะเอาเด็กเด็กหน่อยนะนี่จะพวกเราปกหนที่นี่ยข้าวผมว่าเต้ีตงเด็กเด็กนะมั น, นเอาเป็นที่เลยนะมันเตือนเริ่องป้ากขึ้นสมาธีเลย ปุ๊บโต๊บปุ้งถึงทิ้ง ก, กันเร่งเลยนล่นขันถึงันบางอางเร่งเร่งแเร่งไม่ใส่ปส๊บนั่นอใจนีทนโอตาฮิตเนี่ยขึ้นไปนู้นปอีกทนบนอากาศไม่ได้ลงมานี่ใส่เพือเกวับสััหนาใจนี่อยู่ละท่านั้นยื น, ล น, นเล ย, ยลงกล่าวมาก ไ, ไปนเทา้ากรเถือนตืน่น้น พลังของทำกระแสะของเสียงกำลัขาางของเสียงมันก็ไปต่างๆกับเพิมค่ะทยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอทำถึงขั้นสุดุนเน้นหนักนี่กิดช้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกันไปเอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไม้ทุกมตุต้มบาทสอนไว้เพื่อมารคผลนิพพานมาขอให้ทราบอย่างถึงใจ พระนิาพานดูกับเราไม่ไดู้่กับการกับสถานที่ที่ไหนดูกับตรงนี้ตรงอริยศาสตร์ทางบุเบิลอสตร์ก็คือมัชชิมาปฏิปทาทางบุเบิลเพื่อพระขนิานากกาพานหรือเป็นข้าศึกก็จะแจกสมทยทุกแลงก็่อยากําุนิเพราะเป็นจากสมไทยเป็นกุการสำคัญ เพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์ก็ดินโรคก็ดิ้เราดิงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับจีญะนั่นแล้วจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมังในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นแม้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนี้เขาก็มันเป็นผลของมากที่ทํางานได้แะมาให้ชื่อวันนี้โรดพิเศษทั้งๆที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยให้ดับไใไหลับไปโดน ด, ดับเป็นที่มันก็นเป็นจียาถอนมรรคดับไป ที่ยงมักที่ทํางานในแต่ที่ก็แสดงขึ้นมาอันชีว่านิโรธเนี่ยทุกคนมาจากพุทธมณฑลที่ถึงมากน้อยโดยลำดับลำหนักแสดงขึ้นมาทางนี้เพราะงันแก้จีมีศัจจธรรมสองนี้เป็นสําคัญอยู่มากสมุทัยเป็นสําคัญมีเรื่องถูกมากมากคือสมาธิปัญญาเป็นด้นเป็นเครื่องแก้นสําคัญแก้พุทธมณฑล เราแจ้งเงได้แล้วไหนมาผลิภัณฑ์เอกสาที่ไหนเออที่เรียกหมอพราค์หมดแล้วก็มีอะไรจะมาควรบ้างควรหนึ่งค่าเป็นค้าสุดคนอือะไรจะมาควรจันจับกันไมีเงินได้เลยแล้วนั่นแนะ่ะใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จนนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วเปนเรื่องวิทยุติเป็นเรื่องสงครามทิศระหว่างมรรคกับที่เรื่อต่อสู้กัน อย่างคือมือว่นวาเหมือนกับว่าจะไม่ไปลดได้ปล่อยไม่ได้พักก่อนนั่งการจิตใจได้เลยเวลามันหมุนตัวงมันวิ่งขงกลับเห็นมันเป็นเรื่องธรรมจากิพอมันสิ้นสุดกันเงแต่แล้วที่เหลือรากเป็นของพระสีปัญญาก็ปล่อยวางหน้าเป็นปตามำอัตนมัติของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสีมาปัญญาอยู่ในกงมรรคอรหัตมาสนี้ เริ่มมาตั้งแต่นู้นะอละแต่ขั้นสามขั้นยากคือขั้นพิจารณากายมันเริ่มเป็นธรรมะมาตั้งแต่ผลพิจารณาดุลแรงผาดผลมากเผ็ดร้อนมากมนาก็ว่าการอัดชวนไปด้วยพอถึงขั้นนามาทําแล้วมันก็เบาเบาแต่มันละเอียดเหมือนที่อยู่อยู่เหมือนนั่ ง, ง, ง, งรับนั่ขึ้นไหลลื่นอย่างนั้นตลอด ทือดเดือดเข้าไปเข้าไปสิตนี้ยิ่งครองนี้พิจารณาปัญญานี้สอดนิ่สองเข้าไปแนวเหมือนกับโรคมนไม่มีมตั้งแต่อาการของจิตที่แสดงตัวอกมาตาตัวจิตปัญญาที่คอยรับภาพกันและคอยกดเครื่องแก้งขกันเท่านั้นอย่ือนี้นะนั่นเหมือนไม่มีโรคจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนแม้จะเดินมีสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินได้นั้นแหละเท่าเดินไปแต่จิตกำลังไม่อปวด สติปัญญาเป็นของมากมันพอขุดค้นกันลงแหลกเหลือกหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นชัวร์เป็นข้าสศึกภายในใจเหลืออยู่เลยแล้วาง่สติปัญญาประเภทที่ว่ า, าอา่ามหาอิมหาขยะก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแด้จัว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาเพราะว่ า, าเองนั้นท่านเองไม่นิยมเลยไม่สนใจแตสมมุติความเมื่อสุดตายแค่า น, นั้นพอ ยุคที่เดียตายแล้วความบริสุดธิเต็มที่แล้วพอเช่นเดียวกับเสือมันจะมียวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเชี่ยวยาวเชี่วสั้นขนาดนั้นรูปลักษณะผ้าทั้งมันน่ากลัวขนาดไหนเมื่อตายของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเจอคนโง่คนบ้าตายกลัวมหมเสือตัวมันตายได้ไหมกลัวเสือตัวมันจงเป็นหนีมันทํามันจะตายได้ยุคที่เลียมันจะมีรอดลายขนาดนั้น เมื่อฆ่านไปแล้วมันก็นเหลือแต่ขันที่เหนียบเวลานี่เยลยคือเหลือสร้างนี่เลเป็นเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหนื่อยขันกรดุกกระดุกกระดุกกระดุกนั้งนั่นงนั่งเองไ้่มีไม่มีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็หมดภาระไปหลังจากนั้นแล้วไม่เรียกท่านไม่เห็นกายยังอย่างสติปัญญาหรือว่ามหาสติมหาปัญญา เรียกอันนี้อยู่ในขั้นของมากึ้นเห็นอาหา ร, ราก็มากมาผ่านนั้นแต่แ้วมีนจะความมือ์สุขสติปัญญาไม่ยินยมไม่พูดนอกจากเวลามีผู้กล่าวตู่ท่านอย่างนี้มีในขาง้งกุชการเป็นพัฒพมันลำหมดท่านเป็นพระสุเทศเป็นพระรหารเขา ล้องล้องท่านว่าเป็นตาลพิชกนางพุชุนอโอริจ่าทรงตัดหินเองกันทียาไปโจทยเธอรู้ไหมเธอเป็นสติยินัยท่านท่านแยกมาสมมติว่าสตินยนั้ท่านั้นเธอเป็นสติยินัยโดยส ม, ดมุนแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่อมงสมุตรพนงานตัวท่านสคั้มุหมดปัญหาจากสมุททั่วไปกล นั่งยมาท่านเป็นสศรษฐีวิจนายทั้งนนดเนี่ยมีอม่าไยุ่งท่านเนียป้องั้งเด็นั่งยบม า, ารัาาบกองเกลือกสมุินันงชั่วระยะตองนงั้นทาา่ทานม่ือท่านเององค์ท่านคู่บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สาคัญว่าท่านมีสติมันมีสติไ ม, ม่สาคัญเลยหมดความสํการไม่หายแล้วมันมีความ สำคัญว่าตัวสูงต่ำกับอะไรที่สูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่ยิ่ิ่งยิ่อย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ไม่แตกกับคําว่าสูงว่าต่ำขึ้นเป็นเรื่องกับพบกระเทือนกันเป็นเรื่องอสมมุติดูเท้าสคทีมาท่ากัตั้งใจปฏิบัติเราจะพลาดมากว่านิพพานให้เสียก็ต้อนมีละถ้า ม, มีใครที่จะกลับ ทำได้ถูกต้อแน่งยำถูกจุดที่หมายของที่เหลือได้มาผลิพานด้านที่กว่าธรรมของพู้แต่เจ้านักธรรปฏิปทาฐานะเปรียสามิทาสกุปริญญาเรามีถึงทนเป็นมัตจิมาวางไงสมาที่ดีะมาสังกปูนิสึญญาปัญญาว่าฟใจหันเดียไปกับที่เหลือขึ้นพัวพันทำลายจิตใจขเราขอควรจิตใจนอนเจ้าเวลาเอาหมันแลยก่อบด้วยสิปัญญาคิดก้นขึ้นมา วิจิตรารรดาขิจิตใจยังมีงความมุ่งสร้างลำคาญอยูมากถ้าพยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อยใจเอาให้ดีให้จังยิ่งชัว่วนะปฏิบัติหนึ่งมาผลพ่า น, นไม่ต้องไปคิดแต่คาดคะเนให้มันเสียเวลาเป็นความโง่ป๋องกล่าวเพิ่มวิเดียขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีขาวเป็นวิเดก็เพิ่มลงในสัจจะทั้งสี่เอาขุดค้นกัน ตรงนี้เมือ่อมันสมบูรณ์เที่แล้วมันผลิพันธมันต้องถามแลอยอาจจรู้เองขนาดสันพที่โกเพราะการประกอบความเพียรทุกภาาทุกประโยชน์เพื่อสันพที่โกเท่านั้นอยู่กับเราเหสันพที่โกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถ า, านที่ใดไม่มีมีอที่นเอาดิเนี่ยนี่ยกูถึงจำเป็นจะเชี่ยอและแต่มันกวนจะพิจารณาผมว่า ออกไับาจะทำยังไปยังไงไปรนตัโอกาสนรับต้องใจก็ประกอบความภาพเปลียนด้วยดีไปให้เน้นหนักความเปี่ยนให้มากอย่ากไปก็เฉลี่ยเสถยรตามเึ่งเพิ่มสติปายตามด้วยกตรมขาสศาลอันนั้นไม่ใช่เปเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจรงมไม่สมควรแก่เราอย่างยิ่งอย่แล้ววัวว่าจากครูจากอาจารย์มาอยางเป็นเม็เต็า โดยทางศิษย์ทางกุลต่อไปนี้ท่า ม, มียาอธิบายให้ผมฟังผมอใมาพูดมากเลยตอนนี้นมากไหย